มันเป็นเรื่องประจำข้าประจำภพถ้าหากว่าเราคุ้นเชื่องมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าไม่คุ้นเชื่องก็เป็นเรื่องใหญ่โตโหดฐานเรื่องที่แขวนคอยอยู่เรื่องที่น่าคิดอยู่เสมอเสมอ น่าสะลตใจเสมอๆ ม, มาเดินสวนสนามเก่สนามเก็บสนามตายในวัดตาสงสารพระอรหันต์แพวกเดียวท่านเดินพ้นไปแล้วแต่พวกเราก็ต้องสร้างบา ร, รมีกันไปตามรอยท่านจะถึงไหนก็ไม่ถอยหลังเพราะท่านกุยทางไปแล้ว ทำคำชองสอนใดๆจะเสมอเหมือนพระพุทธศาสนาไม่มีในโลกนี่เป็นเมืองขึ้นของพระพุทธศาสนาอีกด้วยเขาจะขี้โอว่าดีกว่าพระพุทธศาสนาสักเพียงใดก็ต า, ามความสำคัญอันนั้นก็เป็นโมฆะ วิชาใดๆในโลกจะมือเสมือเหมือนพระพุทธศาสนาเป็นไม่มีพระสอนทั้งข้าดาวาสสอน ท, ทั้งพระสุสามมณีส อ, อนทั้งเทวดาไม่มนุษย์ทุกชั้นทุกวันนะตลอดทั้งเทวบุตรเทวดาทุกชั้นทุกวันนะหรือมารพรมซึ่งเป็นคําสอน ที่คงที่อีกด้วยไม่เปลี่ยนแปลงยั่งย่าไปทางไหนถ้าทำเป็นในทางบาปก็เป็นบาปอยู่เต็มภูมิตามเหตุผลที่ทำน้อยแด้ทำมากถ้าทำบุญก็เป็นบุญเต็มภูมิตามเหตุผลที่ทำน้อยแต่ทำมากไม่ว่าเปลี่ยนไปทางไหนพระพุทธเจ้าองค์ใดๆก็มาสอนอันเดียวกัน เหตุฉะนั้นจึงลงความเห็นว่าวเราเลื่อมใสศรัท ธ, ธาในศาสนาของพระโคตมะหรือพระโคดมก็ถกรล่าวว่าเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ในตัวถ้าเป็นคำสอนอันเดียวกันคิดกันก็ตั้งแต่สร้างบา ร, รมีน้อยและมากกว่ากันเท่านั้น เรายินดีในศาสนาพระโขดมก็ถ้ากล่ายินดีในพระพุทธศาสนาที่บอกไปแล้วที่ยังไม่มาถึงจะล่วงไปอเนสนสตะ ต, ะโตาโปตตยุมากกว่าละโกรก็าตามจะมาข้างหน้ามากกว่าละโกรก็าตามก็เป็นนำอั น, นเดียวกัน มาเป็นอย่างนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะให้คะาเนียนพระพุทธเจ้าว่าองค์นั่นดีองค์นี้ไม่ดีก็ต้องเสมอกันทั้งนั้นนี่กุฎิสลรักสนัอันเดียวกันคพือกันแต่สร้างบารมีปัญญาทิฏฐศรัทธาธิกะวิริยธิกะินานริชาวกว่ากันเท่านั้นแต่คาคําสั่งสอนเป็นอันเดียวกันหมด เมื่อมาเทศชนะสูตรก็มาเทศชนกะกับพระจักษ์ทำให้กับปับวัฒินาสูตรเสมอกันหมดทุกทุกประโณงสูตรเบื้องต้นว่าด้วยความแก่ความเก็ บ, ค ว, กบความตายที่เรียกว่าลูกขันที่นี้ก็แสดงเ ร, รื่องโศกปริเทวทุกปรโทมณอุปาญาต เพียงัมไปโอคทุกโคเพียงยึดโอคทุกโคยังปิดฉาและปฏิตามปิโโทุกครั้โโ ง, ปะะปงเป็นฝ่ายทกแนะนา ม, มะขันซึ่งมีกิเลสสิงแล้วก็มาสแสดงศิน ส, สมาธิปัญญาที่เราเรียกว่ามักแปดแลครั้งที่โกมักโคก็คือศินสมาธิปัญญาท่านทุกครูเข้าใจดีแล้ว ทิ้งแล้วนี่ไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจหมดเทเลงอันไหนก็ต้องเข้าใจหมดถ้าเป็นคนเก่าสอนอยู่4ี่พันห้าพษาก็สอนลงในสกุลละกายวาจาใจถ้าจะว่าเป็นติกะ ติการณ์นิบาศก็กายวาจาใจถ้าจะว่าปัญจาการนิบาศก็ว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาทั้งขันสิญญาณก็ความหมายอันเดิมถ้าจะว่าในจตุ ก, การนิบาศก็ธาตุสี่ที่น้ำไฟลมหรืออริยสัจสี่ก็มีความหมายอันเดียวกันในสกุลและกายของเรา ถ้าจะว่าเป็นชะ ก, กะก็อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกก็ตาหูจมูกเลี้ยกายใจของเก่าซึ่งเป็นธรรมันเก่าไม่ใช่ธรรมันใหม่เอสะตมุชนันตโนพระธรรมเป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่คําว่าสวสดาบันสัทพะคาเมียนาคามีอนอาหารก็เป็นทรัพย์เก่าเป็นนามเก่าคําว่านรกสวรรค์ก็เป็นนามเก่าที่เคยเรียกมากันตามเป็นจริง เราบุญคุณโทษก็เป็นของเก่าหมดไม่ใช่เป็นของใหม่เกิดแก่เก็บตายเป็นของเก่าทั้งนั้นเพราะเหตุใดที่เราเกิดอยู่ได้นี้ก็คือมันเรียนมาเป็นรอบๆที่เราเกิดเคยเกิดมาแล้วในพวกคนก่อนนั่นเองตามธรรมเทศนาของพระสมาะพระเจ้า พระพวทเราเวียนว่าตายเกิดในวัฏรสงสารมากมายมาม า, มาแล้วพระบรมศาสาดากล่าวว่าน้ำตาของพวกท่านทั้งหลายถ้าจะเก็บไว้ชาตินะหยดก็มากกว่ามหาสมุทรสีมหาสมุทรนานๆถึงจะได้ออก ส่วนกระดูกของพรท่านทั้งหลายก็ดีของเราจะท้าขดก็ดีน้ําตาก็าดีกระดูกนั่นเก็บไม่ชาดละหัวแม่มือเท่านั้นเองไม่ให้อันตราทางหายไปก็ใหญ่กว่าภูเขาซีเนโนรด้ท่านมองท่านทั้งหลายมองดูหน้ากันผู้นี้ไม่เคยเป็นญาติผู้นี้ไม่เคยเป็นมิตรผู้นี้ไม่เคยเป็นสาหาย ผู้นี้ไม่เคยเป็นห้าเป็นลุงเป็นหน้าเป็นอาเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายชละพัดจะไม่มีแค่เลียวในใจโลกธาตุถ้าไม่ชาติหนึ่งก็ชาติหนึ่งให้จงได้ท่านทั้งหลายจงโปรง่งทำทังเวทเถิดการท่องเที่ยวในวัดาท่องสารนี่เป็นอย่างนี้แหละท่านพูดอย่างนั้น สอนตงต้นในโลกพุทธศาสนาสอนให้ยินดีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติชมสมบัติในทางที่ชอบซึ่งทํามาหายเลื่องชีวิตในทางที่ชอบเมื่อคิดสูงทําสูงแล้วสอนให้เห็นโทษในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคมสมบัติไม่ได้สอนให้ติดอยู่สอนให้รู้ตามเป็นจริงด้วย มีคุณมหาลมีโทษอนันต์ชาติพบก็มีคุณมหาลมีโทษอนันต์ถ้าไม่มีชาติก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวคนทุกแต่ชาติก็เป็นทุกข์งสียในเบื่อหน่ายคลายเมาในวัฏฏะสงสารสในเห็นไทยในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่เพราะเราเคยเพลินมาในวัฏฏะสงสารมากแล้ว ที่นี่เราจะปฏิบัติบแบบหลังมื อ, อ, อกำบนดเรรมศาสตาร์เราจะเห็นภายในวัดการงสารกงองกันไหมหนานีิกาป่ามันจะไม่กงนะก็กงอยู่นะจงัจ ใัยเกิดภัยแก่ภัยเจ็บภัยตายภัยหิวใัยอยากภัยหนาวภัยร้อนภัยเกลเอตต้นของภัยคือกิเลสต้นของกองทุกข์ก็คือกิเลสเห็นนั่นจึงมีกองปากิเลสในธาลวัตศีวัตภาวนาวัตตามสติกําลังของแต่ละท่านละท่าน ถทาที่จะทำได้ถ้าว่าทานศีลภาวนานของเราบริบูรณ์แล้วเราก็อยู่ไม่ไหวในโลกนี้ถ้าเขาเข้าสู่พระนิพพานไปทุกๆท่านทุกทุกท่านทุกๆคนก็จ้องก็ต้องจะไปถึงพระนิพพานหมดแต่พิดตันแต่ว่าเรลิช้าเพาปฏิจจ ա องไหนเท่านั้น ที่สุดของสัตว์ทั้งหลายก็ต้องอยู่ที่พระนิพพานอย่างเดียวสัดเท้าสองเท้าชัดเสือกสัดคานว่ายในน้ำดาในดินบินในอากาศสิ่งที่มีวิญญาณคลองสิงในตรโลกธาตุต้องไปพระนิพพานกันทั้งนั้นแต่พลิกกันแต่ข้าหรือเร็วเท่านั้นเพราะยังไม่มีล็อก เพราะยังไม่มีคิวไม่เหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันมีคิวแล้วไม่ถอยหลังเดินตรงไม่แวะซ้ายและขวาไม่เลื่อม ส, สายในศาสตราใดๆทั้งสิ้นอัญญสัตวทุตเทศไม่ถือศาสดาอื่นชาจาพิคานานิอัปโปกาตุง นีดำติสังเคลักนังปณิจังเอตนกนีนสัสวัตถีโมตุกสูตรอันนี้เป็นสูตรของพระสวดาวันคิดอย่างลงถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถอดไม่ออกเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถอนไม่ออกเป็นอาจารและศรัทธาอาจารอาจาราสุปฏิทิตาศีลัญจัยยกษกัลิยานางัง อริยกัณฑงภาษาังศิตังอริยกันตะสินสังเคปัสสาโดยัดสัตติเป็นขราสงในปรมัติจุภูภูตันจะดัชนังพขาเห็นแล้วพขเห็นทำอันลึกซึ้งแล้ว ไม่สงสัยไม่ดังเลยในข้อวัดปฏิบัตจปฏติบัติของตนไม่สงสัยในชิ้นห้าและไม่ถือว่าชิ้นห้าจะพาให้อดหยากคลองขี้สมันเสมอเป็นปันทีิโตคลมาวัาสัง ปันทิ่โตคณาวาสังในคาราวะหมายถึงพระโสดาบันเป็นต้นไปพระโสดาบันเป็นพรหมจันทร์บางต้นของพระพุทธศาสนาตาำกว่านั้นลงมาก็เป็นโลกีเพราะมีหลายบางทีบางทีก็ไปสวรรค์บ้างไปพรมบ้าง แต่นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์ทลช้านบ้าเพราะมีหลายบ้างเพราะยังไม่ได้ปิดประตูพระโสดาวันปิดประตูแล้วไม่ไม่ไปปิดประตูความประพฤติอันที่เลี้วไหลจึงเหล่านี้เป็นหน้าที่ชาวพุทธเราจะําเนินทางนั้น ด้านภาวนาเป็นด้านสำคัญของหลักหัวใจที่ีชาวจันบุรีนั่งไม่ใช่ชาวจันบุรีที่อ่อนในการฟังเพราะหลวงปู่ีอยู่ น, น, นาน เป็นชาวที่หูสูงตาสูงใจสูงเหมือนกันเราเคยได้ผ่านครัวาอาจารย์ผู้สำคัญมาแล้วกรรมฐ า, านหลวงปู่ีท่านก็หนักไปในทางอาณาปารสติด้วยกายคตาสติด้วย ปานาปานสติกับกายคตาสติก็มีความหมายอันเดียวกันพิจารณาลมหายใจเข้าออกเป็นกายานุปัชนาเนี่ะเมื่อพิจารณาลมหายใจเข้าออกกําลังลมหายใจเข้าหายใจออกดัง น, นั้นสมไวเวทนาอะไรทุกทุกหรืออุเบกขาก็ตรวจดูห้องกันกับลมเข้าลมออก ก็เป็นเวทนาโนภาชนาแล้วในเวลาลมกําลังเข้าออกอยู่นั้นพิจารณาจิตของตนเองจิตเศร้าหมองในเวลาลมเข้ารับออกจิตเศร้าหมองหรือเป็นยังไงหรืออยู่ธรรมดาเราจะรู้แจ้งจิตในเวลาหายใจเข้าเราจะรู้แจ้งจิตในเวลาหายใจออก เราจะตั้งสติหายใจเข้าเราจะตั้งสติหายใจออกเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจออกเราจะทำจิตให้บันเทิงหายใจเข้าสิ่งเหล่านี้ย่อมเป็นจิตาจนพัตนาทาั้งนั้นที่นี้เวลาหายใจออกเข้าเห็นความเกิดขึ้นความแปรปวนความดับไปทั้งลมลมทั้งลมหายใจออกเข้า พอเราบัญญัติว่าลมหายใจเข้ามากระทบตลายจมูกหรือเพดานบ้งบนก็ดีริมที่ปากบ้างบนก็ดีก็กลายเป็นปัจจุบันกลายเป็นอดีตกลายเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วทีนี้เมื่อเห็นควา ม, มเที่ยง ชัดแจ้งในลมเข้าลมออกแห่งกายยสังขารก็ดีว่ัชีสังขารก็ดีกิตาสังขารก็ดีก็เป็นธรรมานุปัสสนาอยู่แล้วมีชนะนนอาณาปานาสติจึงบริบูรณ์ทั้งสติกรรมฐ า, านสี่ผู้ใดเจริญอานาปานาสติจะบริบูรณ์ในสติประธานสี่ศาสนาใดๆในโลกนอกจากพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่มีในอาณาปานสติไม่มีแต่กรรมฐานอื่นร่วมกันอยู่บ้างอาณาปานสติและกายคตาสติซึ่งพิจนาผมขนและฟันเป็นต้นไม่มีในศาสนาอื่นมีในพุทธศาสนาสิ่งเดียวกายคตาสติมีอานิสงส์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสบอานอาณาปานสติมีอานิสงส์สามสิบตาน พรมร้อยหารมีอานิสงส์สิบเอ็ดประการพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณมีอานิสงส์เก้าประการมานะนสติมีอานิสงส์ไม่ ม, ม, มีประมาณมนะครับรามมหาอิสัมสามานะนสตินี้ถึงความใจเนี่ยมาถึงตนเพื่อกวบลมหายใจเข้าออกมีอานิสงส์ไม่มีประมาณ ที่สำหรับเรอกรรมาฐานทุกๆ ก, กรรมาฐานมีอยู่ในตัวของเราแล้วฐานะแปลว่าตั้งอยู่ในที่ตัวของเราที่สมมติว่าเราเร า, เราอนิยธรรมเอธิตัวนั่นรู้อนิยธรรมคือทําอันประเสริฐตั้งอยู่ที่นอนแลชนคือตั้งอยู่ที่ตัวของเราแล้วที่สมมุติว่าเราเรานี่เราอยากจะเจริญกรรมาฐานอันไหนเราก็เลือกได้ตามชอบใจ จะเทเมตตาจิตคิดจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขท่านะก็ได้ไม่เป็นปัญหาเป็นปัญหาอยู่แต่ว่าเราจะพอใจทำหรือไม่ตนนะั้นเราจะรีบเร่งหรือไม่ตอนนะั้น ที่นั่นอื่นไม่ได้เป็นปัญหาเป็ของกินอยู่ไม่มีตลวันกลางคืนเรมหายใจเข้าออกในเวลาเราไม่ถึงมรณะพาดก็เป็นของกินอยู่ไม่มีตลวันกลางคืนไม่ลงธรรมะทีนี้ผมขนและฟันหนังเนือเองกระดูกเลือในกระดูกมามหัวใจกับฟังปืด ใ, ดใจปอดใช่ไหมใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็ดีที่สมมุติเราเป็นธาตุดินก็มีอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ลงธรรมาอีกด้วย ดีเฉลดน้องเลือดเหนือมันข้นน้ําตาเซลลมันน้าลายน้ำโมกน้ำไข่ข้อน้ํามูดที่สมมุติเราเป็นถาานน้ําอยู่ในสกนลร่ากายนี่ก็ไม่ลงธรรมะเป็นจริงอยู่ไม่มีกลางวันกงคืนเราจะฟังเลือกฟังทันไหนจะปฏิบัติกันไหนได้สะดวกล่างมือเปิบเลยเขามีอาหารเต็มแล้วไม่ต้องในหุงในต้มไม่ต้อง ไ, หง ไ, ไองปหาฟืน ไม่ต้องอะไรของข้าวเพราะพระบรมศาสดาบอกเป็นของสดๆร้อนๆอันมีอยู่ในตัวเราแล้วไม่ใช่อยู่มีมีอยู่ในอดีตอนาคตมีในปัจจุบันเหตุนั้นจึงนี้ลงในปัจจุบันว่าปัจจุบั น, นันเทียวธรังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันชัดผู้นั้น ชื่อว่าไม่งอน ง, านอง่าคอนแคนในพระพุทธศาสนาจะชิ้นความสงสัยตอนไหนๆเพราะคิตปัจจุบันทำปัจจุบันไม่ใช่คิตอดีตจิตอนาคตเพราะอดีตล่วงไปแล้วมีแต่บัญชีอนาคตยังไม่มาถึงก็มีแต่บัญชีปัจจุบันมีทั้งบัญชีมีทั้งตัวเงินด้วยปัจจุบันมีผอมไหมเดี๋ยวนี้มี ปัจจุบันมีขวนไหมเดี๋ยนี่มีมีเล็บไหมเดี๋ยนี่มีมีฟันไหมมีนี่เราให้ใจเข้าออกไหมเดี๋ยนี่มีมีคุณพระพุทธธรรมประสงค์ไหมอยู่ในปัจจุบันนี่มีมีอนิจจังทุกขังอนัตตาไหมในปัจจุบันนี่มีก็คือขันธวิบากมันเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในชั้นนี้ปรชนาทีนี่ชั้นปัญญาเนี่ยแนั้นเราภาวนาอันไหนเราอยากเข้าใจว่า สิ่งที่เราภาวนานั้นอยู่ในอดีตอนาคตมีอยู่ในปัจจุบันทางนั้นเช่นพุทธโธอย่างนี้คุณพระพุทธธรรมผสมก็มีอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่เราบนเพอไม่มีอะไรยกกุะทห้อนหยา บ, ยบไฟที่ส่องแสงสว่างนี้ เขาก็เห็นแก่หน้าค่าซื้อพระพุทธธรรมประสงค์เขาเอามาให้ของห ย, ยาบๆนี่เชนาชนะก็เหมือนกันเป็นของพระพุทธธรรมประสงค์หมดเขาเห็นแก่หน้าค่าซื้อพระพุทธธรรมประสงค์เขากเอามาให้ญาติโยมนอบเข้ามาอีกนีนี้กีวอนวินทบาท เนสนาธนและเพศจีวรที่พระพิกษุห่มอยู่ทุกวันนี้ตลอดทั้งสามเณรตลอดทั้งแม่ข้าวแม่ขีจะมีกี่ล้านบาทนับไ่ไวเสียแล้วอาหารวันหนึ่งหงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกพระพุทธสามเณรที่ยังแม่ข้าวแม่ขีจะเป็นกี่ล้านบาทวันหนึ่ง นี่คำสั่งและคำสอนที่สอนให้มีทานมีศีลมีภาว น, น, นาสอนให้ถึงมรรคผลใพผานเล่าทีนี่ถึงเป็นสายอุดมคตินั่นหาคุณค่าประมาณไม่ได้ถึงแก่ยอดลงมาเป็นพระวิสุทธิ์ที่คุณหรือปัญญาคุณหรือพระมหากรุณาคุณก็ตามก็เป็นอันคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลมากมายนะัก คล้ายๆกับแผ่นดินจะย่นลงมาเป็นแผ่นเดียวก็นาะสองแสนสี่หมื่นโยธยังมีประมาณอยู่อีกซ้ำจึงยืนยันอัปปมามโนคุโฑคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปมาโมโนธโมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณอัปปมามโนสังโฆ ค, ค, คุณของพระริยะสงฆ์มันมีประมาณพุทธธรรสงกลมเกลืนกันเป็นเชือกสามเสี้ยวอยู่อันเดียวกันนานาหนตัมปีวัตุโตอัญญามัญยวิโยกาวะ เอเกีภู ต, ตัมปนัตถะตูวุฒโธธรรมโมสังเคกทาตูซึ่งเป็นของอิงอาศัยกันไขยกันอยู่กลมกลืนกันอยู่เหมือนเชือกสามเกลียวท่านผู้ภูเข้าใจดีแล้วไม่ได้สงสัยหรอกเพาเป็นคนเก่าพอพราะเพียงก็เข้าใจริบๆเลย พิสแต่ว่าเราจะลืมหรือไม่ลืมเท่านั้นพอพระเดียงพอรู้จักเลยไม่มีคําแย้งถ้ามีทั้งปฏิบัติมีทั้งปริยัติ ด, ด้วยเป็นทุนอยู่สมัยเป็นที่เป็นพรครูก็ไม่ใช่เป็นพระครูเฉยๆทั้งปฏิบัติ ด, ด้วย เมื่อออกมาจากฆร า, าวาก็มาเป็นหัวหน้าหมู่ในทางพระพุทธศาสนาสอบกรรมฐ า, านอะไรก็เอา ผู้ศรัทธาจริตก็ต้องถูกกับพุทธผู้ราคะจริตก็ต้องถูกกับพิจ า, ากกรณาสะกดรางกายอันเป็นของสกปกโซมุมสิ่งไหนที่สกปรกโสมมกว่าเพื่อนก็เพ่งอ น, นั่นจะรวมหรือไม่รวมก็ไม่ต้องตีตนตายก่อนไข้ถ้ามันเห็นเป็นจริงผู้ชอบลืมๆห ล, ลงหลง สติไม่มั่นคงก็จเจริญอานาปานาสติแต่ส่วนอัตมาชอบอาณาปานาสติพระดึงกรรมฐ า, านอื่นๆมาได้เพราะอาณาปานาสติเป็นแม่เหล็กถ้าจะพิจารณาความตายก็พิจารณาพวามอารมณ์ให้ใจเข้าออกถ้าจะพิจารณาในสะกุในร่างกาย เติมไปด้วยอาชุพะอาุฟังก็ต้องพ่อ้อมกำลมให้แกเข้าออกผูกไว้อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นไม่อยู่ถ้าจะพิจารณาพุทโธก็พ่อ้องกำลมให้แกเข้าออกพราอาศัยเป็นเชือกอาศัยเป็นคราเป็นเชือกเส้นดีถ้าจะพิจารณาอนิจจังก็พิจารณาพ่้อกงกำลมให้ใจเข้าออก พอหาจะเข้าข้า ง, างหนึ่งก็เห็นทั้งอนิจจังควบกันไม่มีอันไรก่อนในหลังเลยหาจะใจออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันเห็นทั้งอนิจจังทุกคั้งอนัตตาพร้อมกันในขณะเดียวไม่มีมอะไรก่อนอะไรหลังด้วยกลมกลืนกันเห็นทั้งสิ่งที่ต้องการเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ใชธาตุไม่ใช่บคุคคลก็ต้องเห็นพร้อมกับลมเข้าลมออก ถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็เป็นว่าเชื่อขาดสำหรับตัวเองแต่สาหรับท่านผู้อื่นนเราก็ไม่ยืนยันบางท่านก็สะดวกอันหนึ่งบางท่านก็สะดวกอันหนึ่งสำหรับตัวเองเป็นอย่างนั้นนิมิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตภายนอกก็ดีนิมิตแปลว่าเครื่องหมาย ไม้ไว้ในรูปก็รูปนิมิตไม้ไว้ในานามก็นามนิมิตนิมิตในพระพุทธศาสนามีสองอย่างเท่านั้นนิมิตทางสองรูปนิมิตก็ดีนามนิมิตก็ดีก็เกิดขึ้นได้แปรปวนได้แตกสลายเมื่อเห็นชัดในอนิจจังข้อมข่อมออกแล้วก็เท่ากับว่าได้เจริญก็มาฐานทุกๆุกอย่างในใจโลกธาตุเพราะใดๆในโรกล้วนอนิจจังใดใดในโรกล้กวนทุกขัง ได้ในโลกมวนอนัตตาอนัตตาก็ดีอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีก็อยู่เป้าอันเดียวกันพ่อมก็ลงเข้าลมออกมันอยู่คนละคนละแหงคุณพะพูดธพระธรรมพระสงค์โดยในก็มาทานอะไรอะไรก็เหมือนกันดึงมาเลยแม่เหล็กดีก็ดึงมาดูดเหล็กอื่นมาแม่เหล็กดีย่อมดูดเหล็กอื่นให้ตรียวมาได้ ฉัในใดก็ดีเมื่อกําลังอานาปนานสติแข็งเก่งก็ดึงกรรมฐานทุกๆอย่างมาเข้าคลองอาณาปนานสติได้ถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่เชื่ความสงสยัยถ้าไม่เชื่อในปัจจุบนันจิตไม่เชื่อในปัจจุบนันธรรม ก็จะสงสัยอีกลมลมกำลังเข้ายังไม่ทันออกก็หม่หมายแต่ด้วยความชานานลู่ลวงหน้าลมกำลังออกยังไม่ทันเข้าก็ไม่ทันหมายลมกระทบที่ใดก็รู้จักที่นั้นพอเราวันญยาดว่าต้นลม ก็กายมาเป็นกลางลมใช่แล้วก็กลายมาเป็นท่ายลมใช่แล้วในเวลาลงเข้าเวลาเลมออกก็เหมือนกั น, กนเห็นเราได้อันนี้จังทุกคั้งอนัตตาจึงมีอยู่ทุกขณะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแล้วแตกสลายของหยาบ ก, ก็เกิดขึ้นตามหยาบของขนาดกลางก็เกิดขึ้นตามขนาดกลางของละเอียดก็เกิดขึ้นอย่างละเอียดแปรปรวนอย่างละเอียดดับอย่างละเอียดอยู่เป็น ร, บรอบๆเป็นสัญติที่ต่อกันอยู่ ธาตุใดๆที่เป็นฝ่ายรูปธปาตุก็อยู่ใต้อำนาจอนิจังทุกครั้งอนัตตาทำใดๆที่เป็นรูปประทำหรือนามธรรมก็อยู่ใต้อำนาจอนิจังทุกครั้งอนัตตาขันใดๆที่อยู่ใต้อำนาจที่เป็นรูปขันนามขันก็อยู่ใต้อำนาจอนิจังทุกครั้งอนัตตายกศีละขันหมวดศีนซะ สมาธิขันหมวดสมาธิปัญญาขันหมวดปัญญาวิมุติขันหมวดวิมุตินิวติยานัศชนะขันหมวดนิุติย า, านาัศนะฉ า, า, า, าระห้าท่านก็เรียกพ่อเป็นแกนสามอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นมักเป็นฝ่ายมักฝ่ายพ่อปฏิบัติอันนี้ทีน่นี่เมื่อเห็นอ น, นิจจังทุกครั้งอนัตตาชัด สิ่งที่เป็นรูปกด็ดีสิ่งที่เป็นนามกด็ดีโลกนี้รวมอยู่สองอย่างเท่านมีรูปประโลกกับนามมาโลกเท่านั้นเหลือน่านั้นไม่ใช่โลกเป็นจักรวาลโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันเอาอะไรเป็นเครื่องวัด เอาพยานเอกเป็นเครื่องวัดคือปัจจุบันขันในอดีตก็เอาปัจจุบันนักขันเป็นเครื่องวัดรูปในอดีตรูปในอนาคตก็เอาปัจจุบันในรูปเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องพิสูจน์อนิจจังในอดีตนิจจังในอนาคตก็เอาอนิจจังในปัจจุบันเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบเมื่อเห็นความตายชัดในปัจจุบันแล้ว ความตายในอดีตในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเมื่อเห็นคุณของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันชัดแล้วคุณในพระคุณในอดีตคุณในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยาาต้องสงสัยพระธรรมพระอริยสงฆ์เมือนกันเมื่อเห็นความเปื่อยเน่าในส ก, กลในร่างกายว่าสกปกรกสวมมุมในปัจจุบันชัดอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเพราะเห็นโลกปัจจุบันแล้ว เพราะรวมโรคปัจจุบันลงมาเล็กมิดเดียวเล็กกว่าปลายเข็ยมยัดเยียดถึงเพียงนั้นถพราะเต็มไปด้วยทุกขทำมาสังขารก็หมายถึงโูกกับนามเท่านั้นไม่ใช่หมายอื่นอื่นถ้าเวลาประมาทุกขาสังขาเป็นทุกอย่างยิน เมื่อเห็นสังขารในปัจจุบันเป็นทุกข์สังขารในอดีตสังขารในอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยนีย่ถ้าอย่างนั้นปัญหาก็ไม่ลดหย่อนผ่อนลงถ้าเราหวังพนทุกข์ไม่ว่าตาสงสาร <c oughs> การปฏิบัติของเราปัญหาก็ไม่มากปัญหาก็น้อยลงถ้าหากว่าเราปฏิบัติพอเพื่อจะเป็นนิสัย ไปในพบจะต่อปัญหาก็มีมากบ้างปัญหาของเราเนกะิดขึ้นมานแสรแลงเราถ้าระหวังพ้นทุกโดยด่วนปัญหาของเราก็ไม่มีมากเพราะทางวัตถุนิยมมันอยู่ข้างหลังแชียแล้วมียังไงก็ใช่อย่างนั้น ไม่พอที่จ ะ, ะเสืรกกระสนจนไม่รู้ตัวไม่พอที่จะติดอยู่จนไม่รู้ตัวเพราะมีอาจารย์เคกอยู่อาจารย์อนิจจังทุกครั้งอนัตตาเคตอยู่เชี่ยนอยู่ไม่มีสติอยู่ ถ้าถูกเครียดอย่ไม่มีกลางวังกลางคืนใครเป็นผู้ถูกเครียดขันทวิบากขัน์ทวิปา ก, กูนอกจากทุกข์ไม่มีอันไนจะเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอนไรจะแปรปรวนนอกจากทุกข์ไม่มีอันไนจะดับไป ทุกเท่านั้นแหละเกิดขึ้นทุกเท่านั้นแหละตั้งอยู่ทุกเท่านั้นแหละดับไปสังขารเท่านั้นแหละเกิดขึ้นสังขารเท่านั้นแหละตั้งอยู่สังขารเท่านั้นแหละดับไปอันเดียวกันมีความหมายอันเดียวกันเปลี่ยนโวหารชื่อมากเฉยๆใส่ชื่อลือ น, นามเฉยๆนามแปลว่าชื่อมัน รูปังแปลว่ารูปที่ปรากฏเห็นด้วยตาโนอกนามังปรากฏเห็นด้วยตาในคือตาปัญญาตาจิตตาปัญญานามจะมีมากสักเพียงไหนกว่าตามจะมีสัพพันนามกว่าตามย่อนลงมาหาเอกนามในปัจจุบันรูปจะมี มากมายเป็นกายเป็นก ร, กรองสักเพียงไหนก็ตามก็ย่นมาย่นมาทัา้งเอกลูกทุกอดีตทุกอนาคตทุกปัจจุบันสรรพทุกทั้งปวงจะมีมากท่าใดก็ตามก็ย่นลงมาหาเอกทุกในปัจจุบันเพื่อจะกันความสงสัยถ้ามาอย่างนั้นมันก็จะสงสัยมันจะสงสัยหาทีนี้ อดีตคืออะไรคือกองทุกข์ที่ล่วงมาอนาคตคือกองทุกข์ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือกองทุกข์ที่กําลังเป็นอยู่เมื่อโลกเต็มไปด้วยทุกขทั้งยืนเดินนั่งนอนลับตื่นในรูปขันนามขันผูกขาดจองขาดอย่างนี้ทีนี้การยินดีในโลกทางปวงในชังขานทางปวงก็เบาลง ถึงจะถึงก็ไม่ขาดก็ต้องเบาลงก็ถึงบางโอบางนาถึงจะมีกิเลสสักเพียงใดก็ตามก็ต้องเบาลงถ้าพิจารณาเหนื่องก็พ้นพ้นจากความหลงของตนทนบรมศาสตร์ดาเมีพระชนมายุอยู่เทศอนิจังทุกครั้งอนั ตามากกว่าเพื่อนเพราะเป็นนิยานี้กระทำนำสัตว์ทั้งหลายให้เบื่อนายให้สลดทังเวทพาสิตใดๆที่จะไถเราะสนอโสดสักเพียงใดก็าตามถ้าไม่ทำให้สลดทังเวทในวัตฏะทั้งสามแล้วก็สู้บาทคาถาเดียวไม่ได้ท่านพูดอย่างนั้นจะเป็นกินตกวี แต่งเรื่องจริงให้เขื่องเพื่อให้ไพเราะในเชิงกาบสักเพียงใดก็ตามถ้าไม่มีสรจรั้งเวทในพระพุทธในชาติในพบในพระพุทธศาสนาเนี้ย ก, ก็ก็เท่าบาทคาถาเดียวไม่ได้จะถูดอย่างนั้นขาพระบรมศาสดาดูปังอนิจจังเนธนาอานิจจาสัญญาอานิจจาัธรรมโนโสภกวา เอวังบังหุลังสาวเกววนีติคำสอนของพระบรมศาสดาเทศอันนี้มากบังหุลาประวัติติเป็นวาเทศมากเท่นมากกว่าเพื่อนในทำมอดใดๆจะไม่มีอันนี้อยู่เป็นไม่มีเลยชักกะนิบาทปัญจกะนิบาทติ๊กกะนิบาทก็ดี อติกาณีบาตก็ดีสัตว์กานิบาตก็ดีก็มีปนอยู่ทุกหนทุกแห่งอนิอนนจจังทุกครั้งอนัตตาไม่เว้นเลยแต่ละกันละกันต้องน้อมลงมานี่สมาธิทั้งหลายก็ไม่พ้นอ น, นิจจังทุกครั้งอนัตตาไปตาบเหมือนกันถ้าหมดกําลังก็ถอนออกมา การที่ถอนออกก็คือตัวอนิจจังนั่นเองที่ท่านทั้งหลายก็มาแต่กานสิก็คงจะเหนื่อยทีนี้เมื่อท่านทั้งหลายจะพูดอะไรก็จะให้สิทธิ์ทั้งนั้น ถ้าพูดไปมากกอค่ากับว่าเอามะม่วงไปขายให้ชาวสวนเพราะชาวสวนมีมากเลวพากันไม่ได้เข้ากรุงเทพ ม, มาทางรัฐนะามอทางปัดุงใช้นี่ค่ะ เ, ออเดี๋ยวนี้เขาเขาลากทางนีบ ใ, นใกล้กประมาณร้อยสองรอยกิโลนี่จได้สองรอยกิมามาวันนี้ถึงวันนี้นะคมาเมื่อคืนนี้สามที่เก้าขึ้นปา น, นี้แหละครับออกจากจันทบุรีแล้วก็วามาสว่างเราที่เมืองคนฮะเมืองพลครับ บางคนฝากกอลาดมาทางนี้ฝากกอลาดมาทางนี้เราตินค่าได้แค่ถึงคนถ้าอย่างนั้นพวกคุณก็ต้องไปหาที่พักสักกลับพระแล้วพากันนอนสะนอนภาวนาก็ได้เพราะมันเหนื่อยนี่ทนทางไกลไปที่สุดแล้วแน้ำไม่เอามาให้ รถสองคั น, นทีนี้ท้าหฮมของเราไม่เหม็นสาบหรือล่ะ <c oughs> เตรียมพ่ออ๋อเตรียมพ่อ ม, ม า, าต้องให้พักที่สตาลาบ้างนะอที่สตาลฉันเดี๋ยวเดี๋ยวอที่ข้างคาวไม่เหม็นมาหรือเอามรฮะไม่เหม็นไม่เหม็น ม, ม, มาหรือ หาจุด <pid>